สิกขาบทที่สองวา่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมเรื่องภิกษุณีหลายรูปบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม1072สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมเต๋อเที่ยวบินธบาต คนทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถวายภิกษาหารแก่แม่เจ้าแม่เจ้ามีลูกแล้วตําหนีว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีลูกยังดื่มนมเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนีประนามโพลธ น, นาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนีประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมเล่า